หัวข้อประจำวาระเมื่อเห็นอานิสงไม่ลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้นพึงแสดงอาบัตเพราะเชื่อผู้อื่นอาบัตสังฆาทิเศษเป็นยาวะตะติยกะการประจบตระกูลมาติกากระถินดอกน้ำปานะ่าณสัตธรรมครอบงามโลกธรรมครุธรรมอาบัตปาติเทสนิยะ มุสาวาตอุโบสถองค์แห่งทูตวัดแห่งเดียรถีมหาสมุติอภูตธรรมในพระธรรมวินัยพัฒตาหารไม่เป็นเดนพัฒตาหารเป็นเดนเพสัตเป็นนิสคีปาราชิกพิกษุณีทำวัตถุครบทั้งแปดแสดงอาบัตแล้วไม่เป็นอันแสดงอุปสมบทลุกรับ ให้อาสนะพรสมมุติให้เป็นผู้สอนอานิสงการทรงวินยัยสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งประพฤติ ช, ชอบในธรรมแปดการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมการงดปาติโมกชอบธรรมหมวดแปดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศไว้ดีแล้ว